Book 2 23 23 2> การเรียนภาษาต่างชาต вывучать замежные мовы คุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะ д е вы вывучали і с п а н с к у ю мову? คุณพูดภาษาโปรตุเกษได้ด้วยไหมคะ Вы таксама володаете португальской? ค่ะและดีฉันก็พูดภาษาอิตาลียนได้ด้วยค่ะ Так, я ще я трошки володаю і т а л ь я н с к о й ดิฉันคิดว่าคุณพูดได้ดีมาก Я лечу, вы в е л ь м і д о б р а р а з м а ў л я е ц е ภาษาค่อนข้างคล้ายกันมากมูวิดาวุลิปดบเนี่ยดิฉันเข้าใจภาษามันได้ดียัฟสดูบรารจูมียแต่การพูดและการเขียนมันยากอเลร์สมอเลติพิเซตเจชกดิฉันยังพูดและเขียนผิดอีกมาก ยรชมัลทุกครั้งโปรดช่วยแก้ให้ดิฉันด้วยนะคะลการออกเสียงของคุณดีมากอคคุณมีสำเนียงนิดหน่อยวชวยที่อซ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 з ิฉันเป็นพนักงานบริษัทไห е ค е ตอนนี้ดิฉันจำชื่อไม่ได้ค่ะ я จพีร์ยานิมาฮูส а าเดตเชี а กยอ а นาซเวตดิฉันนึกชื่อนังสือไม่ออกค่ะ я не м ม г у з г а д а ด ь назву п ั д р у ч н ร к а ดิดฉันลืมไปแล้วค่ะ